มงคลชีวิตมงคลที่37จิตปราศจากกิเลสวิรัชังเอตัมมังคมามุตตมังจิตปราศจากละอองกิเลส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 เขาเลิกรำพึงรำพันหมดแล้วจึงมองเห็นแต่ความปลอดโปร่งในที่ทุกสถาน mm hmm. จิตปราศจากทุลีจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้เป็นผู้ไม่หวั่นไหว้ 2. เป็นเนื้อนาบุญสูงสุดของชาวโลก 3. เป็นผู้ไม่เกิด